ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริะตะทตเถระโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนชีวประวัติและปฏิบัติคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นโูริะะทัตเถระที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้ผู้เขียนได้พยายามส่อแสงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุกยุคจนถึงวาระสุดท้าย แต่คงไม่ถูกต้องแม่นยำตามประสงค์เท่าไรนะักเพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม่อาจรู้และจำได้ทุกประโยคและทุกการสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบาเพ็ญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกันถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแหน่ทุกกระทงถึงจะนามาลงก็นับฟันจะลบเลือนและหลงลืมไปหมดคงไม่มีหวังได้นามาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอน ดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทานองลมลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างการเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทางภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฝั่งนั้นจะเขียนเป็นทานองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตาราซึ่งแสดงไว้ต่างกัน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 ท่านพระอาจารย์มั่นภพริะะทัตเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสนาซึ่งควรได้รับยกย่องสรนเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาสิทธิผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทําให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากท่านบรร พชิตและเครือขับในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีสาวนุสิ์ทั้งนักบวชและครวัตในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารเพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นเครือขับและเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้มีประวัติอัน ง, งดงามตลอดสายนี้ รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นได้ไหนท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคำร่วงเป็นวิดานางจันเป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมาเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพศ2413ที่บ้านคำบงตำบลโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกัน9คน แต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายัางเหลือเพียงสองคนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กพออายุได้สิบห้าปีได้บรรพชาเป็นสัมมเน็นอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อย ไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้สองปีท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของวีดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นครว่าต์แล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชไม่ได้หลงเหลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้า ทางนี้อาจจะเป็นเพราะอํานาจศรัท ธ, ธาที่มีกําลังแรงกล้าประจํานิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัท ธ, ธาอยากบวชเป็นกําลังจึงได้ลาบิดามารดาท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัท ธ, ธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัท ธ, ธาจัดแจงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่าน พระอริยกวีเป็นพระอุปชาท่านพระครูศีธาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลลคุณเป็นพระอนุสาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2436พระอุปชายะให้นามฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์เสาวกันตาศีโลวัดเลียบเมืองอุบล เกิดสุบินนิมิตเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตาสีโลวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทธโธประจำนิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่นๆในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายาม ในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจยเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินิมิตว่า ท, ท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชักที่เต็มไปได้วยกวากหน้าจนจะหาที่ด้นดั้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตาเดินตามทุ่งไปโดยลาดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไป ได้พบต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดลม้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีปเปลือกและกระพีผ้ผูพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ไปตามขอนชาติที่ลม้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นได้อีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กําเริบให้เป็นพบชาติสืบต่อไปอีกแน่นอน คำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิงว้างกว้างกวา ง, วางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัตถวณของมนัษย์ขณะที่กําลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูง เดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้นขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังฝีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละฝีเท้าโดยไม่กําหนดทิศ ท, ทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขณะนั้น ระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุงอันกว้างกวางนั้นรู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากําลังวิ่งไปนั้นได้ไล่เห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับพอพอถึงตู้พระไตรปิฎม้าก็หยุดท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันที ด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิดกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนมากก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใด ท, ท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิดกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยกวากน้ำต่างๆไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิดกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินิมิตนั้นเป็นเครื่องสแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสําเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งนาประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคําบริกรรมประจําใจในอิรยาบตต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือทุดงควัดที่ท่านศึกษาเป็นประจําด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมา นับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่รับคาหัปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งวินทบาทเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามสงทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาใ น, ในบาทหนึ่งฉันมือเดียวคือฉันวันลลผลไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอา mith เข้ามาปะพลในวันนั้นหนึ่งชั้นในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้าในเงื่อนผาบ้างหนึ่งถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังคาติจีวรสมงหนึ่งเล็บเว้นผ้าอาบน้ําฝนซึ่งจําเป็นต้องมีในสมัยนี้หนึ่ง ผูด้ดอนอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วนเจข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่หล่อแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อถอถอนกิเลสทางภายในมันมีความฟุ้งเฟอ้อเหอเหินเข้ามาแอแฝงได้ ทั้งๆ ท, ที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ามหันด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากวันนี้เปิดตามท่านเล่าให้ฟังในเวลาบําเพ็ญของเล็บปิดในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินิมิต จ, จนได้วความโดยลําดับว่า การออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ ร, รมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจากความผิดมีประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวงแหง่แหงสรรพทุกข์และป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวงว่างไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวง ด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนมาตัวองอาจเป็นพาหนาขับขี่ไปถึงที่อันกะเสมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงามแต่ว่าสนาไม่อํานวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปปติสามพิทายาณทั้งสอันเป็นคุณธรรมอย่างพูกเข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องเลือระบือทั่วไตรโลกธาต มีความฉลาดกว้างขวางในบัยวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามาหาสมุทรไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่พระกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมภิฐานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธี อันเป็นบาดวิถีแก่หมู่ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างกวางเท่าที่ควรทางนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนามาอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวล้วนเป็นความทราบซึ้งจับใจไพเราะหรือจัรน า, นา และยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากเกสมาธินิมิตเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุโทโธอยู่ที่วัดเลยียบจังหวัดอุบลขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคาหานิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าสแสดงอาการผู้พองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่าน จนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่นาเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาในเวลาต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิริยาบถใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักหักเข้า ก็ยิงแปรสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิงปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิต จ, จะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักดีบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้าง ปรากฏเห็นกำแพงกวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื้อมผาบ้างมีดาบดอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนคล้ายอูมีสายยนต์ลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อูขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสัมภาราใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสัมภาระบ้าง มีประทีปความสว่างอยู่ในบริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้างปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทรรนองนี้ถึงสามเดือนโดยการเข้าขาออกออ ก, ออกทางสมาธิภาวนา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 ให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่สงใจไปนอก พ, พิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งทาสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็มายอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมา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 จิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้อง ในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่วันไหวคลอนแคลนอย่างง่ายได้ไม่เหมือนคราวบาเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทาให้เสียเวลาไปเปล่าตั้งสามเดือน โทษแห่งกวางไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสังสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครังโนนไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบาเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอม ไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดวงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนละภาคทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งขรลซ่อนในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งซึ่งหน้าพอให้เราได้ถามผลนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านทำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้ง เราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กําลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักหักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพ อ, พอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องลั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาหรือสิ่งของอยู่บนบาลงพื้นดินเสียงดังตมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหาย ส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็กๆที่ไม่รู้ดิงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางหันขวางอยู่แถวๆนั้นเอง ซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เด็กษาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเไป็นไห น, ไหนส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไ ห, ห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้นถ้าคืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่า ส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกแสราขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบทั่วหน้าแล้ว ต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องโฉลมวนุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกธุดงกรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสําหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงนักนอกจากจะโกรธกันเป็นส่วนมากทางนี้อาจจะเป็น เพราะเหตุหลายประการเช่นมรารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งครึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนะักทำห้คบกันนานๆจนรู้ในสายกันดีก่อนแล้วและผ้าสังฆาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากยอมด้วยสีกรักคือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าลืมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆท่านคลองจีวรสีแก่นขนุนบาข้างหนึ่งแบกกรด ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกโลกใช้กันทั่วไปบ่าค่าหนึ่งสภายบาทถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองกีวรสีกลักคลายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดหน้าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนและน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่าน เกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคําชี้แจงจากท่านโดยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานปลายใจก็ค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอัตธรรมไปเองจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความคเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้อว่าสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทําจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทําประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคําโฆษณา แต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองการเที่ยวสแสวงหาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจานิสัยของพระธุดงกรรมฐานผู้มุ่งอัตธรรมทางใจดังนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงทุกๆปี โดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโวจรบินทบาททางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆภาคเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นจังหวัดนครพนมสกลนคร อ, อุดรธานีหนองคายเลยลมสัก์และทางฝั่งแม่น้ำโขง ข, งของประเทศลาวเช่นท่าแขกเวียงจันทร์หลวงพระบางที่มีป่าเขาชุกชุมมาก เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรในท่าอิริยาบถต่างๆนั้นไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงานสําคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มัน่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่เริ่มแรกท่านชอบบำเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะและไม่ชอบเกาะเกีเ่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชนชอบอยู่ลําพังคนเดียวมีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจ มีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกอย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทําอะไรจรึงชอบทําจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงหลอกลวงตนเองและผู้อื่นการบําเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายทั้งมีความขยันทั้งมีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญจิตท่านปรากฏมีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่างสม่ําเสมอไม่ล่าถอยและเสื่อมโสม การพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบาจากวิธีที่ถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้วไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลยท่านยึดมั่นในวายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและพิจารณากายซ้ำซ้ำซักๆัจนเกิดความชำนิชำนาญแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และทำลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการกิตยิ่งนับวันอย่างลงสู่ความสงบเย็นใจไปเป็นระยะไม่ขาดว่าขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลา ทล่าว่าท่านไปที่ใดอยู่ที่ใดใจท่านไม่ได้เหินห่างจากความเพียรแม้ไปบินธบดีกวาดลานวัดขัดกระโถนทําความสะอาดเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปมาในวัดนอกวัดตลอดการขบฉันท่านทําความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์จากการเคลื่อนไหว้ใดๆทั้งสิน้นนอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นท่านยังตั้งใจไว้เมื่อ รู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นม่นยอมนอนซ้ำอีกจะเป็นความเคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้ยากตามปกตินิสัยพอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้นล้างหน้าแล้วเริ่มประกอบความเพียรต่อไปขณะที่ตื่นนอนขึ้นมาและล้างหน้าเสร็จแล้วถ้ายังมีอาการง่วงเหงาอยู่ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขณะนั้นกลัวจะหลับในท่านต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความงงง่วงที่คอยแต่จะหลับในเวลาเผลอตัวการเดินจงกรม ถ้าก้าวขาไปช้าๆยังไม่อาจระ ง, งับความห่วงเหงาได้ท่านต้องเร่งฝีก้าวให้เร็วขึ้นจนความห่วงหายไปเมื่อรู้สึกเมืออ่อยเพลียและไม่มีความห่วงเหลืออยู่ในเวลานั้นท่านถึงจะออกจากทางยงกลมเข้ามาที่พักหรือกุฏิแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแก่การเมื่อถึงเวลาบินทบาตก็เตรียมนุ่งสบงทรงจีวรซ้อนสังคาติสพายบาดขึ้นบนบ่า ออกบินธบาตในหมู่บ้านโดยอาการสัมรวมทำความรู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสายบินธบาต ท, ทั้งไปและกลับถือเป็นการเดินจงกรมไปในตัวมีสติประคองใจไม่ปล่อยให้เป็นผ่านโลเลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้วเติมจัดอาหารที่ได้มาจากบินธบาตลงในบาตตามปกติท่านไม่ยอมรับอาหารที่ศรัทธาตามมาสรงท่านรับแปะฉันเฉพาะที่บินธบาตได้มาเท่านั้น ตอนชรามากแล้วท่านถึงอนุโลมผ่อนผันคือรับอาหารที่สถานธรมถวายฉะนั้นอาหารนอกบาทจึงไม่มีในระยะนั้นเมื่อเตรียมอาหารใส่ลงในบาตรเสร็จแล้วเริ่มพิจารณาปัจจเวกขณะเพื่อระ ง, งับดับไฟนรกคือตันหาอันอา่านแทรกขึ้นมาตามความหิวโหวยได้ในขณะนั้นคือจิตอาจบริโภคด้วยอำนาจตันหาความส่อสายในอาหารประนีบรรจงและมีรส อ, อร่อย โดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นธาตุและปฏิกูลที่แฝงอยู่ในอาหารนั้นๆด้วยปฏิสั่งฆ่าโยนิโซ่เสร็จแล้วเริ่มฉันโดยธรรมมิให้เป็นไปด้วยตันหาในทุกๆประโยคแห่งการฉันจนเสร็จไปด้วยดีซึ่งจัดว่ามีวัดในการขบฉันหลังจากหลังจากนั้นก็ล้างบาดเช็ดบาดให้แห้งแล้วพึงแดดชั่วคราวถ้ามีแดดและนาเข้าถลก ยกไปไว้ในสถานที่ควรแล้วเริ่มทำหน้าที่เผาพลานกิเลสให้วอดวายหายซากไปเป็นลำดับจนกว่าจะดับสนิทไม่มีพิษภัยเครื่องก่อกวนและรังควานจิตใจต่อไปแต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็นใจเหลือจะกล่าวเพราะแทนที่เราจะเผามันให้ฉิบหายแต่มันกลับเผาเราให้ได้รับความทุกข์ร้อนและตายจากคุณงามความดีที่ควรบาเพ็ญไปอย่างสดสดร้อน และบ่อนทำลายเราทั้งๆที่เห็นเห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่กล้าทำอะไรมันได้เพราะกลัวจะลําบากผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนอยู่บนหัวใจเราจนได้และเป็นเจ้าใหญ่นายโตตลอดไปแทบจะไม่มีเพศมีวัยใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสู้และเอาชนะมันได้โลกจึงยอมมันทั่วไตรพบนอกจากพระศาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้น ที่ทำการกวาดล้างมันให้สินรากไปจากใจได้ไม่กลับแพ้อีกตลอดอนันตการเมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตาแหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชนด้วยการประทานพระธรรมสั่งสอนจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอาวาท ด, ด้วยความไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญไปไม่ลดละตามรอยพระบาทคือแนวทางที่เสด็จผ่านไปก็สามารถตามเสด็จจนเสร็จสิ้นทางเดิน คือบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นลําดับําดาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานี่คือท่านผู้สังหารกิเลสตัวมหาอํานาจให้ขาดกระเด็นออกจากใจหายซากไปโดยแท้ไม่แปรผันไปนอย่างอื่นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเจริญตามรอยพระบาทพระาศาสดามีความเพียรอย่างแรงกล้ามีศรัทธาเหนียวแน่นไม่พูดพร่ำทําทเพลง พอเสร็จภารกิจแล้วท่านก้าวเข้าสู่ป่าเดินจงกรมเพื่อสงบอารมณ์ในโรมนิยสถานอันเป็นที่ให้ความสุขสำราญทางภายในทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจะถึงเวลาอันควรจึงพักผ่อนกายเพื่อคลายทุกข์พอมีกำลังบ้างแล้วเริ่มทำงานเพื่อเผาผลาญกิเลสตัวขอพกก่อชาติภายในใจต่อไปมันลดหอนอ่อนข้อให้กิเลสหัวเราะเยื่หยัน การทำสมาธิก็เก็มคนเอาการการทำวิปัสสนาปัญญาก็หมุนตัวอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งสมาธิและวิวปัสสนาท่านดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่มให้บกพร่องในส่วนใดส่วนหนึ่งจิตท่านได้รับความสงบสุขโดยสม่ำเสมอที่มีชาอยู่บ้างในบางการตามที่ท่านเล่าว่าเพราะขาดผู้แนะนำในเวลาติดขัดลำพังตนเองเพียงไปเจอเข้าแต่ละเรื่องกว่าจะหาทางผ่านพ้นไปได้ก็ต้องเสียเวลาไปหลายวัน ทั้งจำต้องใช้ความพิจารณาอย่างมากและละเอียดถี่ถ้วนเพราะนอกจากติดขัดจนไปไม่ได้แล้วยังกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองอีกด้วยหากมีผู้คอยเตือนและให้คำแนะนำในเวลาเช่นนั้นบ้างรู้สึกว่าไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาและเป็นที่แน่ใจด้วยฉะนั้นการยานามิตรจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้กำลังอยู่ในระหว่างแห่งการบำเพ็ญทางใจท่านเคยเห็นโทษของ ความขาดกระยาณนามิตว่าแล้วว่าเป็นสิ่งไม่ดีเลยและเป็นความบกพร่องอย่างบอกไม่ถูกในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็นอยู่ก็าตามเวลาไปเที่ยวทุรงในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นบุพก า, ารย์แต่เวลาเกิดข้อคงใจขึ้นมาไปกราบเรียนถามท่านท่านก็ตอบว่าผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่ผาดผนมาก เวลาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเดี๋ยวจะเหาะขึ้นบนฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินลงไปใต้พื้นผีวพบบ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้คนมาหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอ า, ากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ไม่ให้กุบายอะไรพอเป็นหลักทิตเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเอง กว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มีท่านล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาวเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นน่าเลื่อมใสามากที่มีแปลกอยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลานั้นเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่แน เลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพาวพะพวงกับเรื่องตัวลอยท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทําให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรง เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆตกลงจากที่สูงในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็ประจักษ์ว่าตัวท่าลอยขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้ตกลงสู่พื้นเหมือนข่าวแรกเพราะท่านไม่ได้ปราศจากสติและคอยประคองใจให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดี ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มันอยู่ในสมาธิเพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนา คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆเมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวตัวเองว่าตัวถลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่มิได้ลอยขึ้นเสมอไปนี่เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสา รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์สาวเป็นไปอย่างเรียบเรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอ น, น, นับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์เสาวเดิมท่านปรารถนาเป็นพระประเจกพุทธเจ้า เวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามามากใจรู้สึกประหวัดประหวัดถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นพระพเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานชาตินี้ ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมารในพบชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกอะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความกเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างกวางนะักท้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่าน ที่มุ่งเป็นพระพเจ้าพพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกลับความปรารถนาได้สําเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้แม้ท่านพระอาจารย์นั่นเองตามท่านเล่าว่าท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกันท่านเพิ่งมากลับความปรารถนาเมื่อออกบาเพ็ญธุดงกรรมฐานนี่เอง โดยเห็นว่าเนิ่นนานเกินไปกว่าจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนาจำต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตาอยู่ในวัฏสงสารหลายกับหลายกันไม่ชนะจะแบบขนทนความทุกข์ทรมานไม่มีวนันจบสิ้นนี้ได้เวลาเร่งความเพียรมากๆากิจท่านมีประวัติประวัติในความหลังแสดงเป็นความอาลัยเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่อยากนิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสา พออธิษฐานของดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้นรู้สึกเบาใจหายห่วงและบําเพ็ญธรรมได้รับความสะดวกไปโดยลําดับไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อนและปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจเข้าใจว่าผูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้าพอจึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้เวลาท่านออกเที่ยวทุดงกรรมฐานทางภาัยอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัย ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์สาวเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสยัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาวท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มัน่นเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองเท่านั้นแล้วก็ลงทํามะไปเสียประโยคทำที่ทันเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่า ให้พากัละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสักมาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่าลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าอย่าพากันทาแล้วก็ลงธรรมาทิตยิโดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีก ปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกินสองสามประโยคเวลานั่งกอทนทานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆลาชั่วโมงเดินก็ทำหนองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่านมีความสง่าผ่าเผยน่าเคารพปลื่อมสายมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเ น, นรเคารพปลื่อมสายท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มัน่น ทราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารกพกันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรามักแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกัน และต่างก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรราร่วมกันจะเป็นความลําบากในการจัดที่พักอาศัยจําต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันมากและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการจะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสา หรือมากราบนมัส ก, การท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเครารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อุโซพันเตทุกๆครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ท่านมีความเครารพในคุณธรรมของกันและกันมาก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารบถึงกันละกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกยอสันเสริญโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีแม้คำเชิงตำหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่ท่านพระอาจารย์สา ว, วาให้ท่านว่ากิจท่านเป็นกิจที่โลดผลมาก รู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะเอินเดินฟ้าเดี๋ยวจะดำดินเดี๋ยวจะดำน้ำข้ามทะเลนั้นท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาตำหนิเพราะจิตท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆทั้งที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้เช่นนั้นเช่นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้า และเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นกลายเป็นวงแก้วและเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดดังที่เขียนไว้ในเบื้องต้นเวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่ได้บางทีตัวเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศและเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงและมุดลงไปใต้ดินค้นดูน นรกหลุมต่างๆและปรองธรรมสังเวกกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันสวยวิบากทุกของตนของตนอยู่จนลืมเวลาเวลาไปก็มีเพราะเวลานั้นยังไม่แน่ว่าจะเป็นความจริงเพียงไรเรื่องทำนองนี้ท่านว่าจะพิจารณาต่อเมื่อกิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผลผิดถูกดีชั่วด้ยอย่างชัดเจนและอย่างแม่นยาพอเผลอนิดขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ ก็มีทางออกไปรู้กับสิ่งภายนอกอีกจนได้แม้เวลามีความชนมานาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอสมควรแล้วถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่างๆจิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็วระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชนานาญต่อการเข้าออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเลาวา่เวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่าง แทนที่จิตจะรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกลับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนต่ำลงไปใต้ดินและทะลุดินลงไปใต้พื้นพิวพบดังท่านพระอาจารย์สา ว, ว่าให้จริงๆพอรีบฉุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศแล้วเดินจงกรมไปมาอยู่บนอากาศอย่างสบายไม่สนใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลยกลองช้สติบังคับอย่างเข้มแข็งถึงจะ ยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทํางานตามคําสั่งการรวมสงบตัวลงในระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบอ่อจนสติตามไม่ทันและอยู่ได้เพียงขณะเดียวก็ถอนออกมาขั้นอุปจาระแล้วออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณรู้สึกกาคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมายถ้าจะบังคับไม่ให้ออกและไม่ให้รู้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได้ เพราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทันจึงทำให้หนักใจและโรนรนกระวายในบางครั้งแบบคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในต้องใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดกดขันกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติ ต, ต่อจิตดวงผาดผลในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้คนนับว่าเป็นทุกข์อาการอยู่แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรัรกษาแล้วรู้สึกว่า คร่องแคล่วว่องไวและได้ผลกว้างกวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจมจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้จึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดกับตนไม่มีขอบเขตพระอาจารย์มั่นท่านมีนิสัยองอาจกล้าหาญและฉลาดแหลมคมอุบายวิธีฝึกทรมานตนก็ผิดกับผู้อื่นอยู่มาก ยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับของท่านจริงๆผู้เขียนอยากจะพูดให้สมใจที่เฝ้าดูท่านตลอดมาว่าท่านเป็นนิสัยอาชาในใจว่องไวและผาดโผนการฝึกทรมานก็เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเท่าเทียมกันอุบายฝึกทรมานมีชนิดปแปลกๆแยบคายทั้งวิธีขู่เข็นและปลอบโยนตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตดวงมีชาวเร็วแกระ่พยะ์ซึ่งคอยแต่จะนําเรื่องเข้ามาทับถมโจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผลอตัว ท่านเล่าว่าเรื่องที่ทําให้ท่านได้รับความลำบากหนักใจเหล่านี้เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะนํานั่นเองพยายามตะเกียกตะกายปลุกปล้ำใจดวงพยจดโดยลําพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขาทั้งลูกเอาเลยไม่มีอุบายต่างๆที่แน่ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลยพอเป็นเครื่องมือช่วยสลับสนุนเหมือนผู้อื่นท่านทํากันทางนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่านไม่ให้ประมาทนอนใจ เวลาเกิดอะไรขึ้นมาจากสมาธิภาวน า, ท, านท่านจะได้ช่วยชีย้แจงไม่ต้องเสียเวลาไปนานดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้วเวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้นท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนมและข้ามไปเที่ยวทางฝั่งแม่น้ําโขงบาเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขกตามป่าและภูเขาท่านได้รับความสงบสุขทางใจมากพอควรในป่าและภูเขาแถบนั้นท่านเล่าว่ามีสัตว์เสือชุกชุมมาก เฉพาะเสืเอทางฝั่งโน้นรู้สึกดุร้ายกว่าเสือทางเมืองไทยเราอยู่มากเป็นพิเศษเนื่องจากเสือทางฝั่งโน้นเคยดักซุ่มกัดกินคนยวนอยู่สง ม, มิได้ขาดมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่คนยวนไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานัะและไม่ค่อยเข็ดหลาบและกลัวเสืออยู่นานทั้งๆ ท, ที่เคยเห็นเสือกัดและกินคนอยู่เสมอและเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกันไปกินต่อหน้าต่อตาอย่างวันนี้ แต่พอวันหลังคนยวนยังกล้าพากันเข้าไปป่าที่มีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากินได้อีกอย่างธรรมดาไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวและเล่าลือกันเหมือนคนลาวและคนไทยเราทางนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็นได้ถ้าเราว่าคนยวนคนยวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึง่งเวลาเห็นเสือโดดมาขัดเพื่อนที่ไปด้วยกันหลายคนไปกินก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีต่างๆบ้างเลย ต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่สนใจในการช่วยเหลือเวลาไปนอนข้างคืนในป่าหลายคนด้วยกันตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบเอาเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปกินพวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้ น, เ ห, น เ, หเห็นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็วิ่งหนีไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณนั้นเองความรู้สึกเขาเหมือนเด็กๆในเรื่องเ น, นี้ไม่มีความคิดอันใดๆที่แยบคายไปกว่านี้เลย ทำเหมือนเสือโครงใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่างชนานาญไม่มีหูไม่มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลยเรื่องคนพนนี้ผู้เขียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอควรคือเวลาเขามาพักอาศัยในบ้านเมืองเราที่เป็นป่ารกชัดและมีสัตว์เสือชุกชุมเวลาเขาพากันไปนอนค้างคืนเลื่อยมาอยู่ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุมเขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัวบ้างเลย แม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียวเขาก็นอนได้อย่างสบายไม่กลัวอะไรถ้าเขาต้องการจะเข้ามาในหมู่บ้านเวลาค่ำคืนเขาก็มาได้ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วยอยากกลับไปที่พักเวลาไดก็กลับไปได้เวลาถูกถามว่าไม่กลัวเสือบ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่กลัวเพราะเสือเมืองไทยไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ้าไม่เหมือนเสือเมืองเขาซึ่งมีแต่ตูใหญ่ๆได้ชอบกินคนแทบทังนั้น เมืองเขาบางแห่งเวลาเข้าป่าต้องทำคอกนอนเหมือนคลอกหมูไม่จช่น้นเสือมาเอาไปกินไม่ได้กลับบ้านแม้บางหมู่บ้านที่เสือดุมากเวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือนไม่ได้เสือโดดมาเอาไปกินเลยไม่มีเหลือเขายังกลับว่าให้เราอีกด้วยว่าคนไทยที่กลัวมากจะไปป่าก้อแห่แหนกันไปไม่กล้าไปคนเดียวที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าคนยวนไม่ค่อย กลัวเสือนั้นคงจะเป็นในทํานองนี้ก็ได้เวลาท่านไปพักอยู่ที่นั้นก็ไม่เห็นก็ไม่ค่อยเห็นเสือมารบกวนเห็นแต่รอยมันเดินผ่านไปมาและส่งเสียงร้องครางไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปากและร้องครนครางได้เท่านั้นในบางคืนแต่เขาร้องไม่ได้คำรามให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดกินเป็นอาหารจะเพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไร มากไปกว่าความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์ถึงบรมสุขคือพระนิพพานในชาตินี้ทางนี้ทราบจากท่านเล่าถึงการข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงฝากโน้นและข้ามมาฝั่งฝากนี้เพื่อการบําเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจังทําให้เห็นว่าท่านถือเป็นธรรมดาในการไปมาเพราะไม่เห็นท่านนําเรื่องความกลัวของท่านม า, มาเล่าให้ฟังถ้าเป็นผู้เขียนไปเจอเอาที่เชนั้นเข้าบ้างน่ากลัวชาวบ้านแถบนั้น จะพากันกลายเป็นตำรวจรักษาพระทดง์ที่ขาบไม่เป็นท่ากันทั้งบ้านโดยไม่ต้องสงสัยเพียงได้ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งอย่างชักใจไม่ดีเดินจงกรมก็ยังถอยหน้าถอยล้างก้าวขาไม่ค่อยออกและเดินไม่ถึงที่สุดทางจงกรมอยู่แล้วเผื่อไปเจอเอาเรื่องดังที่ว่านั้นจึงน่ากลัวทำแตกมากกว่าสิ่งอื่นๆจะแตกเพราะนับแต่วันรูกก้ความมาพ่อแม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ร้าย ซึ่งเป็นเรื่องฝังใจจนถอนไม่ขึ้นตลอดมาจะไม่ให้กลัวนั้นสำหรับผู้เขียนจึงเป็นไปไม่ได้เอาเลยและยอมสารภาพตลอดไปไม่มีทางต่อสู้พระอาจารย์มั่นท่านได้เที่ยวจารีบไปตามจังหวัดต่างๆมีนครพนมเป็นต้นทางพระอีสานนานพอสมควรสมัยออกปฏิบัติเบื้องต้นจนจิตมีกำลังพอต้านทานอารมณ์ภายในที่เคยผ่านผลมาประจําใจแ ล, และอารมณ์ภายนอกได้บางแล้ว ก็เที่ยวจาริกลงไปทางภาคกลางแต่มาาที่วัดปทุมวันพระนครระยะที่จำมาาอยู่วัดปทุมวันก็ได้พยายามมาศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติมกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปม า, าจารย์เสลิจันโทที่วัดประมนิวาสไม่ได้ขาดพอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวจาริกไปทางจาังหวัดลบบุรีพักอยู่ท่ามไผ่กวางเขาพระงามบ้าน ทำสิงโตบ้างขณะที่พักอยู่ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดว่าขาดตอนใจรู้สึกมีความอาจหานต่อตนเองและมีสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆไม่ท่านพึงอย่างง่ายดายสมาธิก็มั่นคงอุบายปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอักเป็นธรรมไปโดยลำดับเวลามีโอกาส ก, าก็เข้าไปกราบนมัสการและเล่าธรรมะถวาย และเรียนถามปัญหาข้อของใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสท่านก็เด้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจแล้วกราบลาท่านไปที่ ว, วิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเลาว่าเวลาพักอยู่ถ้ำสาริกาหนึ่งปีได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในและภายนอก แทบตลอดเวลาที่พักอยู่จนเป็นที่สะดุดใจและฝังใจตลอดมาคือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วยที่อยู่ใกล้กับถ้ามากกว่าหมู่บ้านอื่นๆพอโคจรวินบทบปาถึงสะดวกท่านขอวานให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพราะไม่เคยไปไม่รู้หนทางชาวบ้านก็เล่าเรื่องลิตรเตต่างๆของท่านนั้นให้ท่านฟังว่า เป็นถ้ำที่สําสำคัญอยู่มากพระไม่ดีจริงๆก็อยู่ไม่ได้ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆและตายกันแทบไม่มีเหลือหลอลงมาเพราะถ้ำนี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีดิบมากรักษาอยู่ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม่เลือกพระเลือกใครถ้าไปอยู่ถ้ำนั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมคลังๆเก่งๆไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลอง พระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกัน น, นิมนต์วิงวอนไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วท่านสงสัยจึงถามเขาว่าที่ว่าทำมีฤิ์เลวต่างๆและมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไรอาตมาอยากทราบบ้างเขาบอกกับท่านว่า เวลาพระหรือคราวาดขึ้นไปพักถ้ำนั้นโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้วคือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพ้อฝันไปต่างๆโดยมีผีรูปร่างดําใหญ่โตและสูงมากมาหาและจะเอาถูกไปบ้างจะมาฆ่าบ้างโดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอํานาจแต่ผู้เดียวในเขตแกลงนั้นไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำกล่อมก ล, กลายได้ เขาต้องปราบปรามโดยกำจดใด้เห็นฤทธิ์ทันทีไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเก่งกาดยิ่งกว่าเขาไปได้นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแกบ่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดำและตำซามทางความประพฤติเท่านั้นเขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาจะให้ความอาราขาด้วยดีพร้อมทั้งความเคารพลักและนับถือดังนี้ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กัน ไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ไม่ได้นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นานองนี้จริงๆคลายไปอยู่ไม่ค่อยจะได้เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่น่ากลัวหรือตัวสั่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัวแต่พูดเรื่องผีดูออกมาโดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลักไม่คิดว่าจะกลับคืนมาถ้ำนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้น ขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั้นเลยไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนต์นาอีกต่อไปเลยท่านฉะนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวว่าจะอยู่ที่นั้นเลยท่านพระอาจารย์จึงถามว่าที่ว่าขึ้นไปอยู่เลยไม่ลงมาเห็นหน้ามนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกันถึงไม่ยอมลงมาเขาบอกว่าตายเลยท่านจึงไม่มีทางที่จะลงมาได้เมื่อเร็วนี้ก็มีพระมาตาอยู่ในถ้านี้ตั้งสี่องค์ ล้วนมีแต่พระองค์เก่งๆทั้งนั้นเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัวเพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผีตลอดคาถาอื่นๆอีกเยอะแยะผีเข้าไม่ถึงท่านเมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำและผีดูให้ท่านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านกลนไปแต่ท่านกลับบอกว่าไม่กลัวและให้ญาติโยมพาท่านส่งขึ้นไปที่ถ้า ชาวบ้านจำต้องไปส่งท่านไปอยู่ที่นั้นเมื่อไปอยู่แล้วทําให้เป็นต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างจะมาฆ่าบ้านแม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้านั้นไม่ได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายเคืงกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้ำนั้น บางองค์ก็รีบลงจากท่านหนีไปพระที่มาตายอยู่ในท่านนี้สี่องค์ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลยแต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้แต่เท่าที่เคยสังเกตมาท่านนี้รู้สึกแรงมากอยู่และเคยเป็นอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดีแต่ไหนแต่ไรมากลัวจะถูกขมกันลงมาโดยอาการรอดแร่ บ, บาง โดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้างท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแลหรือ <_ d> um> ขเขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจและกลัวกันทั้งบ้านทั้งรีบบอกกับพระหรือเครๆที่มาทํานี้เพื่อตรงการของดี <_ d> um> เช่นเหล็กไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตามแต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามี ดังนั้นจึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดีอย่างอื่นๆในถ้ำ น, นี้เลยเรื่องก็เป็นดังที่ลรามานี้จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็นเห็นมาพอชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำ น, นั้น ท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบโดยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่นา่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะด u งหว่าเสียวไปตามแม่นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้คอคิดมากมายิ่งขึ้นและมีความอาจหานที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งสแสวงหาความจริงอย่างแท้จริง ท่านยังพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากประชุมถ้ำศัก์ชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ไดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์เวลาท่านพักอยู่ในถ้ำนี้ มีรูอะไรแปลกๆหลายอย่าง